โดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำส ต, ติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักทั่วไปโดวยวิธีการทำส ต, ติกราหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสาคน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 เทียงจะเรามาหัดรมสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัว หมว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสตทิที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วทั่วไปเพียงแต่เราทำ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 เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การคู่แขนเหยียดแขนรู้การกระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้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 เมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเทนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตา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 กว่าจะหลับใต้จิตก็จะต้องคิดไปสิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามเราที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไหร่สมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่าง มีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนย่างลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่เขาจะเหนียวเอาอารมณนน์นั้นๆเข้าไปคนคิดพิจรารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อคล้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอน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 จะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นลายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับ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 ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอากาลิโตธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใจก็ได้ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดเพ้อนย่างลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจ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 ขณะจิตนั้นย่อมบรันรดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตรมสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกผัดอบรมติดต่อกันเป็นจิตวัตรประจำวันทางทังที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิ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 เราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลาหกปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาคุษสาวกนี่ควรจะใช้เวลาสักยี่สิบปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดก็อ ย, อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะ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 ความเปลี่ยนแปลงในอิริยาบทดังที่กล่าวตลอดความคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราเข้าวไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเราเดินก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอน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 ความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นเด็ดก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงด้วยเอ็งเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าคณะจิตใจโมหะเข้าครอบงำจิตจะเยึดความคิดนั้นทันที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 เมื่อเราโลวาความตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับตันหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกจะไม่เกิดจ้ำไม่มีเมื่อทุกอาศัยตันหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุข เป็นสุพระอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์แข่งทุกข์ขัดจะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกข์สุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทาจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปลากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปราบโผขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา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 จิตก็ย่ำสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกข์ขณะจิตก็เป็นว่าจิตของเรารู้พัตรไตรลักษนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ลาโกรดขึ้นในจิตเราจะทําอย่างไรสังโฆปณีดังรูข้างอริยสัจจังเปรินเยยันติเมพิกาเว ดูก่อนที่โศทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะเพ่งทำสติกำหนดรู้แล้วพระธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์นะท่านให้ทำสติกำหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในมาเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริง แม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่า น, นี่คือทุกข์อริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัด เหตุของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะฟันหาเหตุว่าทุกนี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจมแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าทุกตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหาสามคือกามตัณหาภวะตัณหาวตัณหา คามตันหาภาวะตันหาวิภาวะัหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทารมคืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิย์อารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกเล่นกายลายใจเราโพตเจารรับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ ตัญหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนทูลให้สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทสนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัญหามันเกิดที่อายตนาหกคือตาหูจมูกลล่นกายในใจในขณะที่โลภเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมณ์ผ่านเข้ามา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 ตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่าโลปนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่าโลปนี้ขี้เลรเราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงเลินลดสัมผัส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 จิตตังนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดีจินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แข่งกามะตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหานี่เมื่อเราทําสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทําสติกำหนดรู้อยู่ที่จิต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 สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าก้าวหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนทํานี้ทานานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กําหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิ ต, ต, จ ต, จตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายข้าวไปจิตเจอบรู้ทำใหม่เพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเยืนจิตเวลาหยุด ยืนจิตจ่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจ่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดิมทำพูดคิตจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สาเร็จหมด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 เรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศทันเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมาธิในฌานสองสมาธิในอริยมรรค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 ในมาจิตไปลอยแป้งฟางอยู่ในถ้ากลางนพากาศอันอ้างว้างเจตพอจะฟานหาที่เจตเพื่อไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณนันจาเจตนะมารู้ว่ามีวิญญาณกําหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงอาจินจัญญายจตนะในวสัญญานาสัญญายจตนะ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 ตามวิถีทางของฌานเึ่งประกอบด้วยองค์วิศกวิจารณปีติสุขเอกขาตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเนวสัญญาณนาสัญญาเจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่น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 สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลนยากย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสาคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตละ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 จิตรูสภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติความรู้อันใดที่จิตสามารถรู้แล้วบัญญัติเชื่อสิ่งนั้นๆได้อยู่ความรู้อันนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมถึงจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรม ถึงเป็นสัจธรรมก็ยังไม่เป็นอุบายที่ให้จิตปล่อยวางกิเลสราคะตัณหาได้แต่ถ้าความโลภสิ่งใดซึ่งปรากฏอยู่เหนือโลกซึ่งเรียกว่าขั้นโลกุตตะจิตทรา์แต่ว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นเจ้าจิตก็ตั้งเด่นอยู่เป็นทิติธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้กับผู้ตังคือความเป็นไปตามลักษณะของสภาวะธรรม ที่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าจิตก็รู้เฉยอยู่แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขั้นนี้แล้วพอสัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดละอออันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคหรือฌานในอริยมรรค ก็อาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกข้าตาดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งฌานสี่เหมือนกันอันนี้ขอเสนอให้ท่านนักฟังธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รับไปไปพิจารณาเป็นการบ้านส่วนมากเราอาจจะเข้าใจกันแต่เพียงแค่ว่าสมาธิขั้นสมถะไม่มีอะไรไม่มีความรู้ ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เง่าเาต่าตุนไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนคของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนคของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในขั้นสมถาะาหรืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขัายหายไปแล้ว นั่นแหละเป็นลุมกำลังที่บรรดานให้เกิดความโู้อย่างชัดเจนโลยอย่างละเอียดโลยอยู่เหนือโลกโลกเป็นอุบายที่จะให้เจตละวางกิเลสตัณหามานะทิษฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถ า, าก็ดีขั้นวิปัสสนาก็ดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามไม่ได้ สมาธิขั้นชานไม่มีญาณก็ไม่มีเมื่อไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาจยากคงอุดมปาฏิจิตเข้าลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโปรงขึ้นมายานั่งอุดมปาฏิการกำหนดรู้โดยอัตโนมัติพร้อมอยู่ที่จิตดวงสงบปัญญาอุดมปาฏิความไหวตัวของจิต เกิดมีอาการความคิดนึกขึ้นมาเคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะู้เท่าทันความคิดวิชาอุดาปาฏิวิชาความู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีวิชาความู้แจ้งเห็นจริงจิตหายสงสัยยังกินจิตสมุทยาธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรรมมัิ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความคิดของท่านเองนั่นไงกำหนดเจตัให้ดีสิจะมีอะไรจะมีเทวดาเอ็นปมที่ไหนมาแสดงความูลความคิดอะไรให้ท่านรู้ให้ท่านเห็นมีแต่ความคิดของท่านที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเองอย่างกิกิสมุยัตธรร ม, มังสบัญตังนิโรแทธรรมันติคือตัวนี้เอง เมืใครมีสติปัญญาสามารถกําหนดรู้ความเกิดหลับและรู้ได้อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรร ม, มวินยัยมีความรักตั้งมันนรรนมมม่นในพระรัตนตรยัยมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรรถภาพของตัวเองสามารถเยินหยัดอยู่ในความเชื่อมัน่นในคุณประพุทธธรรมประสงค์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้วโสตาปันโนไม่ใช่ผู้บรรลุถึงระโสดาบันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดู วันนี้ในกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งการแสดงธรรมในคราวนี้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างขออุทิศส่วนกุศลหรือความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมถวายบูชา บรรดาพระบุรภาจารย์ทั้งหลายในอดีตที่นำศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยแลีวขอประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งอดีตจงทรงมีส่วนรับบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้แสดงธรรมนี้ขอให้ทรงเจริญแต่ขอให้ทุกๆคนจงเจริญด้วยคุณน่ารำมีวิธีจิตดำาเนินเข้าสู่องค์อริยมรรค อันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดยาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพโดยในยะดังเทสนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละเนะีปัญหาต่อไปในการปฏิบัติในตอนต้นๆ น, นั้นรู้สึกว่าคล่องตัวมากสาหรับปัญหานี้ แต่ภายหลังนี้ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะพิจารณาไปแล้วจิตมีแต่ความสงบอันนั้นเป็นผลสงบจากการพิจารณาการพิจารณาเป็นอุบายทํำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเพราะการพิจารณาพิจารณาแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้น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 ต้องอาศัยการฝึกขัดบ่อยๆ อ, อบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเองทางที่ดีควรจะได้ฝึกขัดทำสติตามรูปการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพู้คิดลุกลมทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราไปในงานศพ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 ทีนี้ในตอนแรกๆเราก็าอาศัยสัญญาความจําไปก่อนสัญญาความจําเรามาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนําให้เกิดแต่สัญญาความจําที่เราเอามาพิจารณาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายรมจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาสัญญาจะเป็นสิ่งหนุหนส่นงให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยสัญญาทั้งนั้น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 เวลาคนตายาธาตุอะไรหมดไปาธาตุอะไรหมดไปก่อนเวลาคนตายาธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจเรื่อสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันทีการที่เราทำบุญทำทานกับพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัตย์ในละฉันได้อันกสงร้อยหนึ่งให้คนทูศีลได้อเนกสงพันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรม มีอา น, นิสงส์นับประมาณได้อา น, นิสงส์หมื่นหนึ่งให้ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอา น, นิสงส์นับไม่ได้เดินศีลห้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติจิตพิจารณาจะมีทางสาเร็จมากผลได้ไหมเดินศีลห้าไม่บริรสุทธิ์ศีลห้าของปุถุชนนี่ไม่มีใครบริสุทธิ์สะอาดเพียงพอแต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตรำสมาธิภาวนาไป เมื่อจิตของเรามีความบริรสุทธิ์สีลของเราก็มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงเจตนาแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนต้นๆก็มีเศร้าหมองบ้างด่างพร้อยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสํารวจจิตเพื่อปฏิบัติสีให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทําสมาธิภาวนาไปคุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้วิธีเดินจงกรมตามสายอาจารย์มั่น วิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมเนี่ยเราคะทางจงกรมผสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักถ้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยเพราะเดินถ้าใกล้นักเดี๋ยวหันกลับบ่อยๆจะทำให้เวียนหน้าสิ่ในการเดินจงกรมกําหนดจิตรู้ลงที่จิตจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรขอไ็อด้หรือใครสามารถที่จะกาหนดก้าวย่างเดิน เดินไปว่ า, าก้าวขวาว่าพู์ก้าวซ้ายว่าโทรหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกไม่มีพิธีรีตรองใอดที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงว่าสายโน้นสายนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมดหากเราไปกำหนดว่าสายโน้นสายนี้ไปเดียวเราจะเผลอไปเสียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดโทษการจุดโทษจุดเทียนขณะไหวพระโสดมนภาวนามีความสาคัญเพียงไร การสวดมนต์ภาวนาที่มีการจุดทูบเทียนและไม่จุดทูบเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไรการจุดทูบเทียนในขณะที่ไหว้พระภาวนาเป็นการแสดงออกพร้อมทั้งกายวาจาและใจทางวัตถุทั้งคุ ณ, ณธรรมทีนี้การสวดมนต์ภาวนาโดยไม่มีการจุดทูบจุดเทียนถ้าจะว่าโดยผลนั้นแท้จริงแล้ว ก็ได้ผลเท่ากันได้บุญเท่ากันทีไม่ดีการจุดธูปเขียนเพลอเลไปเกิดไฟไม่บานกับให้โทษก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ใดเวลานั่งปฏิบัติธรรมบางครั้งจะครีกคลายกับจะง่ายหลังการนั่งภาวนาในบางครั้งบางทีก็กลมบางทีก็เงยผ่า น, นาดได้ขณะใดที่นักปฏิบัติที่ยังไม่คล่องตัวต่อการนั่งยังไม่ชำนาญต่อการนั่ง บางทีพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มเอาใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึงทําให้กายเอ็นไปข้างหลังบ้างเอ็นไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างหรือก้มลงไปข้างหน้าบ้างบางทีบางท่านภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตูนลงไปนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นพระนม่ม ท่านนั่งสมาธิแนละ้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งท่านงอนล้อมโตมลงไปหมูก็ปล่อยให้ท่านนอนจนหลับท่านนอนอิ่มแล้วท่านลุกขึ้นมาที่นี่นั่งสมาธิตลอดคืนยัางรุ่งอันนี้แล้วแต่นิสัยของท่านผู้ใดการเองการเอียงการยักการย้ายอะไรต่างๆบางทีจิตมันจะหลับบางทีสติมันเผลอไปการทรงตัวของร่างกายไม่อยู่ที่มันก็ทําให้เป็นไปต่างๆ คนไข่อาการหนักควรทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายอันนี้คำาตอบนี่ตอบยากแต่ถ้าคนไข้ที่เคยบำเพ็ญเพียรภาวนามาก็วาสามารถที่จะระงับจิตคือทำสติรู้อยู่ที่ความทุรนทุรายหรือความทุกข์แต่คนไข้ที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ฝึกขาดจิตแม้จะแนะนำอย่างไรก็มไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายนี่เราควรจะได้ เปิดขาให้มันคล่องตัวถ้าใครหัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้อันนี้ยิงดีเราจะได้รู้ว่าความตายนั่นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปริดเทพธรร ม, มะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไม่การเปริดเทพให้ฟังบางทีคนไข้ถ้าตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอาณาสงให้สุขติได้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 ทีนี้พระองค์เปลงรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรดนายมัตสกุทลทลีหันกลับมามองดูพระพุทธเ จ, จา้าเพียงแวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาโอโหพุดโทรพระพุทธเ จ, จา้าอาจจะจันจันหน ω, ้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพระบุตรอันนี้เป็นตัวอย่างปัญหาต่อไปการพิจารณาเกสาจะทาอย่างไร การพิจารณาเกสากระเพ่งไปที่ผมเกสาคือผมเกิดอยู่บนศีรษะเป็นเส้นๆข้างหน้ากำหนดหมายแต่นหน้าผากเบื้องหลังกำหนดหมายปลายคอต่อคือท้ายถอยข้างหลังกำหนดหมายหมู่หูทั้งสองข้างเมื่อน้อยก็ยังมีสีดำเมื่อแก่ไปก็มีสีขาวเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโโครเพราะเกิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุ่มแช่ไปด้วยปโพโลเฮดที่มีอยู่ในกายนี้ เป็นของปฏิกรูนเมื่ อ, อเหงื่อใครไหลออกมาเราก็ต้องทําความสะอาดต้องตกแตง่งต้องประดับอยู่เสมอาหากว่าของนี่ไม่เป็นของปฏิกรูนน่าเกลียดแล้วจะไปตกแต่งทําไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหนหรือเราอาจจะพิจารณาว่าผมของเรานี่ตกแต่งแล้วสวยงามทานองนี้ทําสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกัน ข้อที่2พิจารณากายแล้ว